251ขอเปิดโปงปุ้ทุชนที่หลงสุขให้ชัดๆหน่อยเถอะุู้ทุชนนั้นได้ความสุขบำเรออารมณ์ตนสุขันลิกะกับเหตุปัจจัยหนึ่งนั้นแล้วก็อยากสุขกับเหตุปัจจัยอื่นไปอีกเปลี่ยนไปเรื่อยซึ่งไม่เที่ยงอยู่อย่างนี้ตลอดเป็นความไม่เที่ยงอันิจังจริงๆ สัมผัสสิ่งนั้นเป็นสุขไม่นานเปรียบหยดน้ำฟองคลื่นแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นทุกข์เพราะอยากได้อยากเป็นอยากมีในสัมผัสสิ่งอื่นและเมื่อได้ไปสัมผัสสุขอื่นนั้นไม่นานก็จะเปลี่ยนไปอยากสัมผัสกับอิริยาบถอื่นอยากสัมผัสกับสิ่งอื่นอีกแล้ว อารมณ์เวทนาปุถุชนจะไม่เที่ยงอยู่อย่างนี้จริงๆเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดการสุขจึงเทศอริกะไม่เที่ยงอา น, นิจังหาความยั่งยืนทุวังไม่ได้เลยนี้คือความไม่เที่ยงที่เป็นปรมาทูตผู้ที่เห็นความไม่เที่ยงด้วยปัญญาอันยิ่งถึงขั้นนี้เวทนาก็จะเกิดเป็นความรู้สึกเบื่อ ปัญญาก็จะเจริญขึ้นถึงขั้นนายคลายนิพิทาเพราะเข้าใจในความหลงโมหะของตนว่าเราหลงบ้าหลงบอไปกับความไม่เที่ยงนี้มานานแสนก็เห็นความโง่ของตนได้ชัดแท้ในจิตเราก็ปล่อยวางความเป็นเหตุแห่งทุกนี้ด้วยปัญญาที่เกิดวิปัสสนาญาณ9ก้า เป็นพลังปัญญาของอรหัตผลสุขที่บำเรอเหตุสมุทัยอริยศาสตร์คือบำเรอตัณหาให้อ้วนปุถุยิ่งขึ้นให้มากปุถุยิ่งขึ้นให้หนาปุถุยิ่งขึ้นหรือบำเรออุปาทานให้โตปุถุยิ่งขึ้นให้ใหญ่ปุถุยิ่งขึ้นให้พ่วงพีทับทวีปุถุยิ่งขึ้นนั้น มันจึงเป็นการเพิ่มเติมกิเลสในอนุสัยเข้าไปหนักจัดก็ยิ่งหลงสุ ข, ขิกะสุขเทศของปุถุชนก็จะรู้จกักรู้แจ้งรู้จริรจรจรงมันแท้ๆพลังปัญญาของผู้ปฏิบัติเจริญอธิปัญญาศิกขามาถึงขั้นนี้จึงมีประสิทธิภาพถึงขั้นเป็นอำนาจฤทธแรงมโนโมยิทธิ โหม่ไม่กิเลสออกไปจากกิจใจที่หลายหลากมาตลอดในความเป็นปุถุชนของตนความสุขก็หายไปพร้อมกับความทุกข์อันเป็นคู่แฝงของมันความสุขเข่นกามสุขะลิกะเป็นต้นจึงไม่ใช่ความประเสริฐอริยะของอริยะบุคคลเลยเพราะเป็นทุกขะอาริยสัตว์ ที่ผู้เป็นอริยชนจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงว่าเป็นทุกขสัตว์ทุกขอริยสัตว์อย่างไรและมันไม่เที่ยงอนิจจังลักษณะไหนทางไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่อัตตาจริงเลยในแบบใดเมื่อแจ้งด้วยปัญญาชัดแท้จึงวางความยึดมั่นถือมั่นสุขเทศนั้นได้หมดสุขหมด อัตตาได้เด็ดขาดชนิดที่เที่ยงนิดจังย่างยืนทุกวงังตลอดการสะสะตังภาวะที่อารยชนได้มาแทนที่ความสุขของโรกีนั้นคือความไม่ทุกข์ความไม่สุขอะทุกขมะสุขซึ่งก็คือความรู้สึกเฉยๆความรู้สึกเป็นกลางที่ภาษาวิชาการว่า เนคั ม, มะสีตะอเบขาเวทนาอันเป็นความเป็นกลางมัชฌิมาที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นผลธรรมขั้นปรมัธธรรมาทสัจจะจะสัมผัสภาวะจริงรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นพระเจ้าตามคุณสมบัติตรีมูรติได้แท้ซึ่งปูุ่ชนไม่รู้ความจริงอวิชานี้แน่และดาวเอาไม่ได้ สากกาวจราเด็ดขาด